เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากมียากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทุกรคนชอบเล่าวันนี้ในหมวดของตำนานธรรมะศักดิ์สิทธิ์ผมอยจะขอเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระอรหันต์อารมณ์ดีรูปหนึ่งนะครับถ้าจะกล่าวถึงพระอรหันต์บนโลกนี้ก็มีด้วยการอยู่หลายรูป ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคปัจจุบันในแต่ละยุคนั้นก็จะมีปรากฏเป็นตำนานเล่าขานให้ได้ศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติของแต่ละท่านถึงการดำรงอยู่และการหลุดพ้นเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางให้คนรุ่นหลังๆได้ปฏิบัติตามและตำนานของพระอาหารหันต์อารมณ์ดีที่ผมจะพูดถึงวันนี้ผมจะขอกล่าวถึงท่านจี้กงครับตำนานพระอาหารหันต์จีก้กงถือว่าเป็นวรรณคดีพื้นบ้านเรื่องหนึ่ง ที่เล่าขานกันในหมู่ประชาชนทั่วไปได้เริ่มต้นมาจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับภาพภิกษุผู้มีชื่อเสียงรูปหนึ่งของพุทธศาสนานิกายเซนในสมัยหนานซ่งโดยมีนามว่าเต้าจี้ตำนานเรื่องนี้เริ่มต้นเล่าขานที่เทียนไถบางสำเนียงออกเสียงเป็นเทียนไถแต่ผมจะขออนุญาตออกเสียงว่าเทียนไถนะครับแล้วจึงแพรก่กระจายไปทั่วมณฑลเจ้อเจียงต่อมาได้แพร่หลายไปทั่วประเทศจีน แะมอิทธิพลในหลายพื้นที่ทั่วโลกตั้งแต่สมัย6ราชวงศ์ลิ้วเฉาเรื่อมาจนถึงราชวงศ์ซุยและราชวงศ์ถังณเทียนไถน่นี้มีตำนานเรื่องเล่าสืบทอดเกี่ยวกับพระอรหันต์ภิกษุเพียนอยู่มากมายในสมัยราชวงศ์หนานซ่งตอนต้นๆเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุเต้าจีา้ถือกำเนิดขึ้นมาณเทียนไถ่พระภิกษุเต้าจีา้มีอุปนิสัยอย่างหนึ่งคือมักแซงทำเป็นสติไม่สมประกอบ เพอคอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงเรียกท่านว่าจี้เตียนเตียนหมายถึงบ้าหรือวิกลจริตในช่วงก่อนและหลังการมรณภาพของพระภิกษุเต้าจี้ที่เทียนไทก็ปรากฏว่ามีเรื่องเล่าแปลกประหลาดมากมายเกี่ยวกับตัวท่านและก็ถูกนำมาเล่าขานกันอย่างสนุกสนานตั้งแต่ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเป็นต้นมาโดยตำนานพื้นบ้านเรื่องจี้กงของเทียนไทนั้นจะมีอยู่หลายตอนเช่น การกลับมาเกิดใหม่ของพระอาหารหันต์จี้งหลงในตอนกําเนิดจีก้กงหรือหลี่ซิวหยวนผู้มีความเฉลียวฉลาดในตอนวบ ย, ยาวของจีกง้กงรวมถึงตำนานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจีก้กงเช่นการแท่งทําเป็นคนเสียสติช่วยเหลือคนอื่นการลงโทษคนชั่วและปราบปีศาจร้ายเป็นต้นอีกทั้งยังเรื่องเล่าเกี่ยวกับประเพณีพื้นบ้านทัศนียภาพท้องถิน่นที่เกี่ยวข้องกับจี้กงก็มีอยู่มากมายตำนานพื้นบ้านเรื่องจี้กงนี้ เป็นตำนานที่อิงบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์สถานที่กําเนิดก็เป็นสถานที่ดั้งเดิมที่มีจริงในเรื่องเล่าก็มักจะกล่าวถึงพลังพิเศษเหนือธรรมชาติที่ลึกลับซับซ้อนทําให้เขาโครงเรื่องมีความประหลาดและมหัศจรรย์นอกจากนั้นเรื่องราวในตำนานก็ยังเกี่ยวโยงกับชีวิตของผู้คนในแต่ละระดับมีเรื่องราวหลากหลายสมบูรณ์มากสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกของมวลชนแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์อย่างเด่นชัด พฤติกรรมต่างๆของตัวเอกในตำนานแสดงถึงการผสมผสานระหว่างความคิดตามแนวทางพุทธศาสนานิกายเซนกับศรัทธาที่มีต่อพระอรหันต์อีกทั้งเรื่องจีก้กงยังกลายเป็นแหล่งที่มาของศิลปะและวรรณคดีมาเป็นเวลากว่า800ปีและมักจะโลดแล่นอย่างมีชีวิตชีวาอยู่ในนิยายภาพเขียนและแบบหนังสือศิลปะผลงานปั้นและแกะสลักนั้นก็มีบนจอภาพยนตร์และโทรทัศน์ก็ยังมีเป็นต้น ขณะดเดียวกันตํานานพื้นบ้านเรื่องจี้กงนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความพิเศษเฉพาะตัวประเภทหนึ่งที่ประทับตราตึงอยู่ในใจมวลชนมีคุณประโยชน์ในการช่วยกระตุ้นส่งเสริมการศึกษาอบรมด้านศิลธรรมจริยธรรมในปัจจุบันและการถ่ายทอดจิตวิ ญ, ญญาณแห่งชนชาติจีนเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ที่เคยเอื้ออํานวยต่อการดํารงอยู่มีการเปลี่ยนแปลงไปทําให้ตํานานพื้นบ้านเรื่องจี้กงแบบฉบับดั้งเดิม เผชิญกับสภาวะเสี่ยงที่จะเสื่อมหายไปจําเป็นต้องเร่งใช้มาตรการเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองอย่างจริงจังและจากตำนานที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นนี้ผมก็จะขอกล่าวถึงกำเนิดของท่านจี้กงบ้างนะครับพระอาหารหันต์จี้กงเดิมมีแซ่ว่าหลีชื่อซิวหยวนเกิดในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้พุทธศักราช 1670-1822 ประเทศจีนณตาบุหยงหนิง อำเภอเทียนไถมณฑลเจอ้อเจียงบิดาของท่านนั้นเป็นนายทหารคุมทหารอยู่ชายแดนมีนามว่าหลี่เหมาชุนและมานดามีแซ่ว่าหวางบีดามารดาของท่านนั้นเป็นคนโอบอ้อมอารีจึงเป็นเหตุให้ท่านหลี่ระหว่างที่คุมทหารอยู่ชายแดนนั้นละหลวมในการคุมทหารเพราะว่าเป็นคนมีเมตตาจึงถูกทางการปลดออกจากราชการทหารกลับคืนสู่ภูมิลำเนา ท่านหลีบิดาของท่านจี้กงนี้ท่านชอบทําบุญสุนทานซ่อมถนนเสริมสะพานช่วยผู้คนตกทุกข์ได้ยากใครๆก็เรียกขานท่านว่านักบุญหลีวันหนึ่งท่านหลีได้ไปทุระในตลาดก็ได้ยินชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์ท่านว่าไม่ใช่นักบุญจริงๆห ร, รอกถ้าเป็นนักบุญจริงๆทําไมไม่มีลูกล่ะเอาไว้สืบวงตระกูลนะ่ะท่านหลีได้ฟังคําดินทาเหล่านั้นก็เกิดความรู้สึกกัดกลุ้มใจมากเมื่อกลับถึงบ้าน ภรยาเห็นเข้าจึงได้ถามไถ่ท่านว่าท่านพี่เป็นอะไรไปท่านหลี่จึงได้เล่าเรื่องราวที่ชาวบ้านพูดคุยกันให้ฟังเมื่อภรรยาฟังจบภรยาของท่านก็เสนอให้ท่านหลีนี้ไปขอภรรยาน้อยมาสืบสกุลแต่ท่านหลี่ไม่เห็นด้วยในที่สุดสองสามีภรยาจึงได้ปรึกษาตกลงกันจาศีลกินเจอยู่สามวันแล้วก็ร่วมเดินทางไปยังเทียนไถซันหรือเขาเทียนไถวัดวัวชิน เพื่อบูชากราบไหว้ขอพรพระที่สถิตในวัดทุกองค์ก็ไล่ขอพรกันมาจนถึงห้องสถิตของพระอรหันต์และเมื่อกราบไหว้ขอพรมาถึงองค์ที่สี่ทันใดนั้นพระอรหันต์จิ้งหลงก็ได้พัดตกลงมาจากพระแทน่นลงสู่พื้นดินจเจ้าอาว่าสิ้นคุง้งได้เปล่งวาจาว่าดีแล้วท่านหลีปีหน้าพวกท่านจะได้บุตรชายและหลังจากนั้นไม่นานภรรยาของท่านหลีก็ได้ตั้งครรภ์ขึ้น และในเดือนยี่ขึ้นสองขั้มปีจีนก็คลอดบุตรชายออกมาซึ่งต่อมาก็คือพระอรหันต์จี้กงนั่นเองท่านเจ้าวาสิ้นคงได้ทราบข่าวว่าท่านหลีได้บุตรชายก็ได้มาที่บ้านของท่านหลีเพื่อแสดงความยินดีและขออนุญาตกับท่านหลีให้บุตรชายมาเป็นสิทธิ์ในนามของท่านพร้อมประทานชื่อให้ว่าหลีซิวหยวนหลีซิวหยวนเป็นเด็กฉลาดเมื่ออายุครบ14ปีก็สามารถอ่านและเข้าใจหนังสือ ซื่อซูอูจิงซึ่งเป็นตำราบโบราณที่ลึกซึ้งได้อย่างคล่องแคล่วเดิมทีนั้นหลี่ซิวหยวนตั้งใจะจะสอบเข้ารับราชการแต่บีดาไม่สบายจำต้องนอนอยู่กับที่จึงต้องอยู่ปฏิบัติบีดาจนบีดาท่านเสียชีวิตลงและอีกสองปีต่อมามานดาก็สิ้นบุญตามไปด้วยหลังจากที่พ่อแม่ได้จากไปหลี่ซิวหยวนได้มอบสมบัติของบิดามารดาทั้งหมดให้อาเป็นผู้ดูแลและก็ออกเดินทางไปยังวัดหลิงอิน จังหวัดซีหูบนทนหางโจและตัดสินใจสแสวงหาความสว่างจากพุทธธรรมโดยเข้าไปกราบท่านเจ้าอาวาสเอียงคงในวัดพร้อมฝากตัวเป็นสิทธิ์และเมื่อท่านเจ้าอาวาสเอียงคงได้สบตาหลีซิวยวนครั้งแรก <c oughs> ก็เพิ่อองรู้ได้ว่าหลีซิวยวนนั้นเป็นพระอาหารหันต์อวตารมาสู่แดนดิน <c oughs> เพื่อมาโปรดสัตว์โลกทั้งหลายท่านเจ้าอาวาสจึงรับไว้เป็นสิทธิ์และโกนหัวอุปสมบทให้ทันทีพร้อมทั้งได้ใช้พากกรหรือมือเคาะศีรษะหลีซิวยวน ให้สามารถสํานึกตนว่ามาจากไหนและประทานนามให้ว่าเต้าจี้เต้าจี้ได้รับการอุปสมบทโดยมีพระสงฆ์ผู้มีชื่อเสียงในเวลานั้นคือพระอาจารย์ฮุยหยวนหลังจากเข้าสู่ประตูพุทธธรรมแม้ว่าลักษณะนิสัยของท่านจะผิดแผกแตกจากหลักธรรมวินัยของสงฆ์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการประพฤตินตนหรือการพูดจาที่ไม่สํารวมการดื่มสุรา ห, หรือบริโภคเนื้อสัตว์แต่เมื่อพิจารณาเนื้อแท้แล้ว จุดมุ่งหมายและผลลัพธ์แล้วการกระทําเหล่านั้นของท่านก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและกล่อคุณประโยชน์โดยอริยสติปราดเปลืองดนรู้ทุกสูบในแผ่นดินได้ท่านได้ช่วยปัดเป่าทุกโรคภัยไข้เจ็บให้แก่มวลชนช่วยเหลือคนทุกทั้งหลายคนยากคนจนช่วยกำราบอิทธิพลอันธพาลและช่วยปราบพูดผีปีศาจ ต, ต่างๆให้กับมวลมนุษย์จนได้รับการเคารพนับถือจากผู้คนยกให้เป็นเสมือนเทพอีกองค์หนึ่งของคนจีน พระเพียนเต้าจี้ระหว่างที่จำพรรษาอยู่อารามจิ้งฉือซื่อก็ได้เกิดอักคีภัยวัดถูกไฟไหมท่านจี้กงจึงออกเรียรายไม้มาปฏิสังขรณ์ได้เดินทางไปยังเมืองเหยียนหลินได้แสดงปฏิหารเสกจีวอนคลุมภูเขาได้ไม้มาเป็นจำนวนมากจึงนำสุงล่องแม่น้ำสู่เมืองหางโจเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนยังบังเกิดปฏิหารให้ไม้ผุดขึ้นจากบ่อน้าในอาราม นับเป็นความมหัศจรรย์ให้เป็นที่เล่าขานเป็นตำนานสืบต่อกันมายังมีประวัติย้อนไปถึงปีคิดสกราต326รเมื่อพระอินเดียรูปหนึ่งทุดงมาถึงทิวเขาด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบซีหูที่สามด้านล้อมรอบด้วยป่างามเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาท่านจึงสร้างวัดซ่อนใจแห่งนี้ขึ้นขณะที่พระอินเดียรูปดังกล่าวเดินสารวจพื้นที่ก็ได้พบเข้ากับภูเขาหินขนาดมหืมา ที่ดูแล้วมีลักษณะโดดออกจากภูมิประเทศโดยรอบท่านจึงพรรณ น, นาขึ้นว่ามิทราบว่าเขายอดนี้บินมาจากขนใดและนี่เองจึงเป็นที่มาของชื่อยอดเขาบินณวัดหลิงอินทั้งนี้ในเวลาต่อมาด้วยความศรัทธาต่อพระจีกงชาวบ้านหางโจจึงได้โยงใยที่มาของยอดเขาบินที่วัดหลิงอินนี้เข้าเกี่ยวพันเป็นหนึ่งในตำนานอิทธิฤทธิปริหารของพระจีกงแต่งเป็นนิทานขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่ง โดยนิทานพื้นบ้านของชาวหวางโจเรื่องนั้นได้ระบุเอาไว้ว่าเดิมยอดเขาประหลาดดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณดินแดนแถบแตะวันตกเฉียงใต้ของบนทุนเสฉวนเช้าวันหนึ่งเมื่อพระจีกงมียานบอกล่วงหน้าว่าเราเที่ยงวันยอดเขาดังกล่าวจะบินมาตกทับหมู่บ้านข้างวัดหลิงอินและจะทําให้มีผู้คนเสียชีวิตกันมากมายด้วยเหตุนี้พระจีกงจึงตัดสินใจวิ่งเข้าไปในหมู่บ้าน เือบอกมหันตภัยดังกล่าวให้กับชาวบ้านได้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อที่จะได้พากระดพยพไปยังที่ปลอดภัยเที่ยงวันจะมีภูเขาหล่นมาทับหมู่บ้านเที่ยงวันจะมีภูเขาหล่นมาทับหมู่บ้านทุกคนรีบเก็บข้าวของให้เร็วไม่งั้นจะไม่ทันนะพระจีกงก็หึดกระขอบมาตะโกนบอกชาวบ้านโดยทั่วไปอย่างไรก็ตามแล้วชาวบ้านที่มองว่าพระจีกงเป็นเพียงพระบ้ารูปหนึ่งที่กล่าวหาอะไรไร้สาระเป็นวันๆทุกคนจึงสายหัวพร้อมกับด่าทอว่า พระบ่าเอ้ยจะหาเรื่องอะไรมาเล่นสนุกอีกล่ะภูเขามันบินได้ทีไหนก็นเล่าตะวันยิ่งลอยสูงขึ้นสูงขึ้นใกล้เวลาเที่ยงวันเข้าไปทุกทีที่ยอดเขาจะตกลงมาทับหมู่บ้านพอดีในวันนั้นมีการจัดงานฉลองมองคลสมรสจึงมีเสียงของงานรื่นเริงดังกล่าวเกิดขึ้นที่มุมหนึ่งของหมู่บ้านเมื่อจีกงเห็นว่าไม่มีใครยอมเชื่อสิ่งที่ตนเองกล่าวเตือนจีกงจึงตัดสินใจแอบลอดตัวเข้าไปในงานหลบลีกหนีผู้คนเข้าไป อุ้มเจ้าสาวหนีออกมาจากงานเสียจีกงอุ้มเจ้าสาวแล้ววิ่งอย่างว่องไวออกไปนอกหมู่บ้านขณะที่ชาวบ้านที่มาร่วมงานนั้นต่างก็วิ่งตามไล่จับพร้อมกับตะโกนเป่าร้องให้ทุกคนช่วยกันคว้าตัวเอาไว้พระบ้าขโมยเจ้าสาวพระบ้าขโมยเจ้าสาวอย่างไรก็ตามด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระจีกงที่มีฝีเท้าเร็วพอที่จะไม่ถูก ใ, ใครตามจับได้จีกงได้กดฝีเท้าออกมาพร้อมกับคนทั้งหมู่บ้านที่วิ่งไล่าตามมาออกมาไกลสิบวาลี จนกระทั่งเลยรัศมีของยอดภูเขามาหันตภัยเห็นดังนั้นแล้วพระจี้กงจึงวางเจ้าสาวลงแล้วหยิบพัดใบลานขึ้นมาโบกคลายร้อนก็บังเกิดเสียงดังลั่นสนั่นยอดเขาตกลงมาทับหมู่บ้านอย่างที่คาดหมายเอาไว้จริงๆชาวบ้านที่วิ่งตามมาเมื่อหันกลับไปมองสภาพภูเขายักษ์ลุนมาทับหมู่บ้านของตนเองก็ทราบว่าสิ่งที่พระจี้กงกล่าวเตือนนั้นเป็นความจริงส่วนการที่จี้กงอุ้มเจ้าสาวหนีออกมาจากงานนั้นก็เพื่อเป็นการช่วยชีวิตของชาวบ้าน แต่ทั้งนี้หลังจากเข็นบ้านช่องของตนเองทรัพสมบัติถูกทับแบนอยู่ใต้ภูเขาชาวบ้านจํานวนไม่น้อยก็เกิดความเครียดและเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ตีอกชกลมกันเป็นส่วนใหญ่พระจี้กงเห็นดังนั้นจึงหันไปกล่าวกับชาวบ้านเหล่านั้นว่าร้องไห้ไปทําไมพวกเจ้าที่ดินที่มัวแต่เสดายสมบัติต่างก็ถูกทับถมอยู่ใต้ภูเขาไปแล้วจากนี้ต่อไปทุกคนก็กลับไปทําไร่ทํานาของตัวเองทําเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้น ชีวิตก็ยังมีจะยังกลัวการสร้างบ้านเือนใหม่ไปใหญ่ชาวบ้านพอได้ยินอย่างนั้นก็สํานึกได้ว่าทำกลางความทุกข์ก็ยังพอมีประกายแห่งความสว่างสุขเรืองรองอยู่บ้างทำกลางความสูญเสียอย่างน้อยที่สุดพวกคนก็ยังรักษาชีวิตให้รอดอยู่ได้เมื่อเห็นชาวบ้านพอจะคลายทุกข์ลงได้แล้วก็รั้งเหล่าชาวบ้านเอาไว้และกล่าวว่าอย่าเพิ่งไปอย่าพิ่งไปทุกคนฟังอัตมาก่อน ยอดเขาก้อนนี้เดิมลอยไปลอยมาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหลังจากทับหมู่บ้านของพวกเราแล้วก็อาจจะบินไปทับหมู่บ้านอื่นอีกอาจจะทำให้มีคนเสียชีวิตอีกมากมายอาตมาขอร้องให้พวกเราช่วยกันสลักรูปพระอรหันห้า0้อองค์ไว้บนภูเขาลูกนี้เพื่อที่จะทําให้ภูเขาลูกนี้ไม่บินไปสร้างอันตรายให้กับผู้อื่นอีก ชาวบ้านได้ฟังดังนั้นจึงรีบกลับไปช่วยกันสลักพระอรหันต์าร5อ0องค์ไว้บนยอดเขาบินเป็นคนละไม้คนละมือโดยนับจากนั้นยอดเขาบินดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่าบินไปสร้างอันตรายให้ใครอีกและก็ถูกเรียกขานกันต่อมาว่ายอดเขาบินนวัดหลิงอินโดยยังมีคำสอนของท่านให้ชนรุ่นหลังสามารถนำมาคิดนำมาปฏิบัติเพื่อประกอบการใช้ชีวิตให้มีสติอย่างเป็นสุขดังนี้ครับ 1. ชีวิตย่อมเป็นไปตามลิขิต ละชั่วทำดีวอนขออะไร 2. วันนี้ไม่รู้เหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้กลุ่มเรื่องอะไร 3. ไม่เคารพพ่อแม่แต่เคารพพระพุทธองค์เคารพทำไม 4. พี่น้องดีอยู่ที่เกิดตามกันมาทะเลาะกันทำไม 5. ลูกหลานทุกคนร่วมนีบุญตามิกดห่วงใ ย, ยทำไม 6. ชีวิตย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จ ร้อนใจทำไม 7. ชีวิตใช่ว่าจะพบเห็นรอยยิ้มกันได้ง่ายๆทุกใจทำไม 8. ผ้าขาดปะแล้วก็กันหนาวได้อวดโก้ทำไม 9. อาหารผ่านลิ้นแล้วก็กลายเป็นอะไรอร่อยไปใหญ่0ตายแล้วบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ขี้เหนียวทำไม 11. ที่ดินคือสิ่งที่สืบทอดแก่คนรุ่นหลังโกงกันทำไม 12. โอกาสจะได้กลายเป็นเสียโลภมากทำไม13สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือศีรษะเพียงสามพุทธข่มเหงกันทำไม14ลาบยศเหมือนดอกไม้ที่บานอยู่ไม่นานยิงพยองทำไม15ทุกคนย่อมมีลาบยศตามวาสนาที่ลิขิตอิจฉากันทำไม16ชีวิตลำเค็ญพระชาติก่อนไม่บำเพ็ญแค้นใจทำไมบำเพ็ญไว้ 17. นักเล่นการพนันล้วนตกต่ำเล่นการพนันทำไม 18. ครองเรือนด้วยความประหยัดดีกว่าไปขอพึ่งผู้อื่นสุรุ่ยสุร่ายทำไม 19. จองเบนจองกรรมเมื่อไหร่จะจบสิน้นอาฆาตทำไม 20. ชีวิตเหมือนเกมหมากลุกคิดลึกทำไม 21. ฉลาดมากเกินจึงเสียรู้รู้มากทำไม 22. พูดเท็ดทอนบุญจนบุญหมดโกหกทำไม 23. ดีชั่วย่อมรู้กันทั่วไปในที่สุดโต้เถียงกันทำไม 24. ใครจะป้องกันไม่ให้มีเรื่องราวเกิดขึ้นได้ตลอดหัวรเราะเยาะกันทำไม 25. ห่วงสุยที่ดีอยู่ในจิตไม่ใช่อยู่ที่ภูเขาสแสวงหากันทำไม 26. คข่มเหงผู้อื่นคือทุก์รู้ให้อภัยคือบุญถามโหนทำไม 27ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตายวุ่นวายทำไมท่านจี้กงบรรณภาพในปีรัชการเจียติง้งประมาณปีพุทธศักราช1752โดยนั่งเข้าชานสมาบัติละขันหลังจากถวายเพลิงศพแล้วบรรจุเข้าอัฐิไว้ณนะเจดีหูเผาเฉวนครับนี่ก็เป็นประวัติและตำนานของท่านจี้กงที่ผมพอจะหามาเล่าให้ฟังได้ครับ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเรื่องที่ได้รับฟังกันนะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ